ที่เราปฏิบัติธรรมะนี่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตจะว่าปฏิบัติธรรมะก็ได้จะว่าปฏิบัติกรรมฐานก็ได้จะว่าวิปัสสนาก็ได้เฮาสมมุติซื้อให้มันแต่ความจริงแล้วเฮามาทำขมรู้สึกตัวนี่แหละการทำขมรู้สึกตัวนี่คนก็วากา้ า, น า, นนานวันมาแล้วเฮาเว้ากันมาหรือว่าให้รู้สึกตัวเน้อ พ่อแม่เยี่าพ่อขว่าให้ฟังทำพูดคิดให้รู้สึกตัวนะอย่าลืมตัวนะมันว่างเนี่ยมันมีความหมายขันมาให้รู้สึกตัวนี่อย่าลืมตัวนี่เอาเพียงเป็นเพียงเข้าใจคําพูดซื้อเ อ, อาบบได้เข้าใจแท้เนื้อแท้มันจริงว่าบอคอยได้เว้ากันคันมาว่ากันกับว่าจะเปลือกนอกๆ น, กนี่จิตใจคนมันก็เลยบ่ได้เปลี่ยนแปลงจากสภาพไป คนว่าให้รู้สึกตัวเนี่ยให้รู้สึกตัวเน้อให้ตื่นตัวเน้อหมายถึงให้รู้ใจคุณนี่ให้รู้กายภายนอกกับแม่แต่ให้รู้ใจพุณนี่รู้สึกตัวได้หมายถึงรู้สึกใจใจมันนึกมันคิดอันใดให้รู้เบื้องแรกการเจริญวิปัสนาหรือเจริญสติหรือเจริญสมาธิเนื้อทำความรู้สึกตัวนี่ทำทีแรกนะ โมลูไม่นังเฮ็ดซื้อซื้อเฮ็ดซื้อซื้อเฮ็ดซื้อซื้อที่มีความหมายยังไงเฮ็ดซื้อซื้อมันก็ได้ควมอันซื้อซื้อนั่นออกมาควมหมายมันเฮ็ดซื้อซื้อให้มันเป็นซื้อซื้อมันเป็นเองควมเป็นเองที่ว่าเป็นซื้อซื้อโมได้ซื้อบมได้หาโมได้เอาเงินเอาทองไปย้างคนอื่นมาทําให้จึว่าเฮ็ดซื้อซื้อเป็นซื้อซื้อเป็นยังที่เป็นซื้อเป็นซื้อซื้อคณะเป็นซื้อซื้อนี่ก็ว่ากันก็ อาจจะเข้าใจยากคือเป็นอันที่มันโบใจหายเนี่ยแหละมันใจมันโบโก้มันโบโลบมันโบหลงนั่นแหละเราเจ๊เห็นเจรู้อนันต์เนี่าเฮ็ดซื้อมันจะได้ซื้อๆได้ซื้อๆกับโบได้ลงทุนโบได้ซื้อมันเป็นซื้อๆความเป็นเองจอมมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นเรื่องพนี้แต่ว่าคนผู้นั้นจะทําให้มันรู้หรือหรือเจ๊โบทาให้รู้นั่นแหะเจ๊ทาให้มันมีหรือเจ๊โบทำให้มันมีเท่านั้นซื้อ ถ้าหากทำให้มันมีเนินก็ต้องทำเองโบมีผู้อื้อใจทำให้เห่าอีกตื่มการทำอย่างนี้ก็ได้พ่อทำให้กับโบได้แม่ทำให้กับโบได้ลูกทำให้กับโบได้สามีพันรยาอยู่ด้วยกันทำส่วยกันกับโบได้เพียงแต่แนววิธีให้เท่านั้นซื่อดังนั้นวิธีต้องก็ต้องบอกกันแล้วให้เฮ็จังหวะนางนึ่งนิ่งไม่ได้ ต้องให้เคลื่อนไหวอยู่เสมอเการเคลื่อนไหวเน่ะหอยจีว่ากันซื่อนี่แหละแต่ว่าต้องมีจังหวะอย่างที่ของเฮกันิสู้มือนี่ทำซาซาสกรอนขนใหม่พลิกมือขึ้นซาซายกซาซาให้มันรู้จักว่ามันไปมันหยุดมันไปมันหยุดมันเซาอมันเคลื่อนมันไหวมันเซาวางสังกัดได้แล้วให้รู้สึกตัวมันเซาแล้วมันหยุดไหวหยุด นั่นไปแล้วเอนนี้มันใบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยให้หูจั่งจะทำซาซาควมหูจักอันนั้นเพิ่งบอกเอิญสัญญาสัญญาจึงว่าควมจำหมายรู้จำได้จำได้เมื่อจำได้แล้วซีิมันมีงานงานปัญญาเนี่ยงานขมรู้งานจึงว่าปัญญางานจึงว่าขวมรู้งานจึงว่าภาฮานะงานจึงว่าขนส่งมันหลายคำพูดพันมานคนส่งจังได คนทรงคนคนนี้เข้าไปฝากนี้เอาไปไวฝาก น, านั่นคนคนออกจากที่จากเป้จากมานกับว่าได้เหาโบเห็นด้วยตาด้วยอันโบเห็นจับโบทุกด้วยมือมองโบเห็นด้วยตาคนจิตคนใจากับว่าได้เอาทฤษฎีวา่าหรือจีวา่าสมมุติว่าคนค น, นนี้จากโลกอันนี้ไปนิพพานกัว่าได้มันเรื่องสมมุติดังนั้นจึงว่าให้เรารู้จักสมมุติจริงๆ สมมติอสมมติบัญญัติบามัดบัญญัติอัฐะบัญญัติอนิยบัญญัติบบเป็นวอลซื้อเม้าต้องใจต้องเห็นต้องรู้ต้องสัมผัสนําอีกตึมสิหนึอันว่าซอี่เซพูดแต่กับวอลเปลี่ยนเลยอันว่าสมมติบัญญัติบามัตดบัญญัติ Christie, อัฐะบัญญัติอนิยบัญญัติเนี่ยแต่ก้อนแทบมีผูะะ้ว้าบุรุษจีมีผู้วอาเนี่ยพอกระบอกจักเนี่ยพอโบเคยได้ยิน เนพ่อไปปฏิบัติญนพอ่อรู้เนียพ่อจึงเอาเจ้าของ ว, ว, ออว่าเนพ่อมาว่าไพรสิว่าจะเนกับเรื่องของคนอื่นเรื่องของญนพรเป็นเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องผู้อื่นจีวัลผู้อื่นกับว่าเรื่องของผู้อื่นจริงว่าการปฏิบัติแบบนี้จริงว่าบุกขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์บุกขึ้นอยู่กับตำแหน่งตําหั่ขึ้นอยู่กับตัวการกระทําการกระทําของผู้ใดทําขยันทํำเก่งทําให้รู้สึกจริงๆลู้ ถ้าหากทำซื้อๆอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากมีอิทธิปฏิหารโบเนียนอีกฟิมแล้วอยากดีมันก็ได้ความดีมาลดประเดียวอยากดังมันก็ได้ความดังมาลดประเดียวอยากมีอิทธิปฏิหารมันก็เป็นมาลดแต่ว่าบบเสียงของจริงเลยมันจีเป็นมายาหลอกใจของซื้อๆดีเด้กประเดียวเจ้าของที่เป็นนั่งมันมีกระถาอันหนึ่งว่าเพิ่นว่ากระถามาซี่เฮืร์นมาจีจอกเพิ่นว่า หมาป้ามาอย่างเพลินวาให้ฟังพ่อแม่หมาเนี่เขาเลี้ยงมันไว้เขาจีเอาไปใส่กับมันก็ต้องไปเล่เขามันแล่นไปเริ่มไปแล่นข่วงน้าเขาอยู่มันยืนข่วงทางเขาไปเตะมันตูมหนึ่งเงี้แล้วมันหนีไปเลยโอ้มนเลื่อมตามันเก่งหมดมันหายตัวได้คนเบิ่อมันจึงบ่เห็นมันยังคนจะไปเตะมันเนาะส่นหมาไม่เป็นเนาะสันถ้าหากเขาย่างไปมันแล่นไปก้อนเขาก็มันไปข่วงน้าอยู่ข่วงน้ะเสซ โอ้ยมุนมันจืดมันจางมันหายไปแล้วว่าสม่ามันเปแล้ว อ, อันนี้แหละเขาอยากเห็นมันก็เลยเห็นมาโลดอยากดีมันก็ดีมาโลดอยากดังมันก็ดังมาโลดอยากเป็ น, นเสน่ห์เป็นมันเพาะใจนั่นเองถ้าหากมาทํำวิปัสสนาอย่างที่หยาพอว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ฝังแล้วจําได้ไปทำโหลดข้อแรกเนี่ยต้องเลิกเลิกข่มขูวทุกประเพณ อันนี้บอกกันสิเซิ่งเซบติดมืนเมาทุกประเภทแม้กิริยามารายาททุกอย่างต้องฝึกหัดดัดแปลงปฏิบัติการายห้าเขาโบาทันเลิกขุมซัวขุวมบูดีนั้นปฏิบัติกายากหรือเขาโบหยุดโบเสาร์ิ่งที่มันบูดีนั้นจะรู้ยากและเขาโบาเคยฝึกหัดดัดนิสัยกิริยามารายาทที่มันบูดีนั้นเป็นการรู้ได้ยาก ญาพ่อคำนวณผู้เดียวนี่ออยเพราะญาพ่อไปปฏิบัติธรรมะญ า, าพ่อไปทำมันโบานานไหมแต่ญาพ่อหักทำมาได้นานแล้วทำพุทโธสัมมา阿拉หังนับหนึ่งสองสามพองยุบหายใจเข้าสั้นออกอยาวนีญาพ่อให้มาหมดแล้วมุ่นแต่หักยังหมดันรู้เมื่อไปทำแบบเคลื่อนไหวนี่ห่ดหันนาน มุดเดยวกอะหดเดยวกบนเมตซ์ว่าอึดใจเดียเ่ยวสิทำอยู่มือหนึ่งสองมือก็หูหลุดอั น, นโบญาหูจักพ้อแลรกก็หูจักเรื่องรูปเรื่องนามนี่แหละอย่างที่เนี่ยพ่อว่าสูตฟังหูจักแล้วก็เลิกรถเน่ยพอ่อเรื่องทุกเนี่ยพ่อลู่จริงจริงเน่ยพ่อจึงว่าเห็นคนทําผิดมันทุกข์ขาเจ้าบูหูจักขาเจ้าบูหูจักได้ขาเจ้าอย่างเฮ็ดเลยบนแมงขาเจ้าจีว้าหูจักอย่งเห็ดอยู่นบนเมน คนบูฮู้จักอย่างเหตุถ้าคนฮู้จักเราเลิกโปรดอันจำเพื่อนมาว่ายซื้อๆนี่บุญมีได้จำซื้อๆได้อันนั้นบุญไม่เห็นด้วยยานบุได้เห็นด้วยปัญญาบุาได้เห็นด้วยการเห็นแจ้งนะเด็กไปฟังเพื่อนว้าวจำได้ของวาอา้าวอซื้อๆนี่เรื่องบนีเจ้าว่าการเลิกสิ่งสัวหลายนั้นบมุมีมีก็น้อยเคยย่างมือพอออกไม่ออกเรือ่ญาติโยมทิว่าชนกกะก็ได้แล้ว ว่าพอออกไม่ออกก็ได้ว่าญาติว่าโยมก็ได้เห็นไหบปัญญาพ่อว่าได้ทั้งสองข้อมันหรือเพื่อนภิกษุยู่ิธรรมกันนี่ก็คือกันปัญญาพ่อลูกครูบาองนั้นองนี้เนื้อกล่าว่าได้ถ้าหากโบเลิกแล้วการที่จะเกิดปัญญานั้นยากเพราะว่ามันยังทําซัวอยู่เด้ใจเป็นอยังซัวอยู่เนหอบเหวเห็นเด้่ยขู่ซัวนี่ใจพุทธิมันเป็นโบเป็นโตเขาเป็ี่ยนในใจมันเป็นใจมันโบอยากเลิกโบอยากละ แล้วคขมดึงดูดเนี่ยในเอิ้นอุปาทานมันติดอยู่มันยังอยากเหตุอยากทำอยู่ขมซัวนะคขมดีก็เกิดขึ้นหไดเถ้าเราทำซัวอยู่ขมดีมันจะเกิดขึ้นหมดอย่าพ่อทำกองกระทินยังวไงไม่ออกไม่เทียดนี่ไปถามเอาเงินให้พาหมอลำใจมันปุ๊บลดบปเดียวแต่กขมจริงว่ากันแล้วแต่ทําไมมันเครียดอีกตึมมันโกรธขึ้นมาอีกตึมนักตึ๊กในใจคุณเป็นอย่างนั้น แล้วยาพ่อว่าโ อ, อันนี้แหละมันทุกมากพี่ปองออกจากอันนี้แล้วสมันก็ออก่ายแล้วและบางคนว่าโอ้ควมโกดข่ ม, มรวบค่มหลงนี่มันเป็นธรรมดาดอกกระเมนของข้าเจ้าอยู่มันเป็นธรรมดาที่ว่ามันนำคุณมันถึงโบอเอาออกจากตมจากตะกอนอั น, นั้นได้ถ้าหากคิดว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์แล้วสิแยกรามกับแย่ตะกอนออกจากกันได้ง่ายเรื่องมนี่เพราะมันเกิดความ บ, บดีขึ้นมามันคิดยากแล้วโบอเอาหลด บยเหตุโหลดมันบูดีได้ซึ่งเนี่ยมันหูจักเลยเด้อันว่าอยู่นี่ก็ว่าให้หู้จักให้ได้ยินนั่นแหละได้ยินได้ฟังเพื่อนว่ามันบูดีได้จะเอาก็เลิกโหลดนี่มันก็ง่ายขึ้นอันนี้เว่าปฏิบัติกระโล่ง่ายที่แบดเนี่ยเพราะว่ามันง่ายแล้วเด้มันเป็นทางไปเลยเด้เพื่อนไว้ฟังเลยเนี่อันนี้เขาบวเป็นอย่างตันเขาจี้คอยห่าเอาให้มันเลิกผู้เดียวเอามาจี้เลิกอย่างนี้ของจิตใจมันเศร้าหมองอยู่แล้ว น้ำมันบยอยากออกจากตะกอนตะกอนมันก็นบอยอยากออกจากน้ำแล้วบบนี้มันก็เลยกออกมันก็พ้นกับอยู่น